<c oughs> คืออย่างที่อันนี้คุณพลินไม่ว่าเลยใช่ไหมอ๋อ <c oughs> เดี๋ยวจะหมดเวลาเกิด <c oughs> เดี๋ยวคุณเวลาวันเสียใจเ <c oughs> วลาวันเอาหน่อยไหมเลย <c oughs> ไม่กี่นาทีละเมื่อกี้นี้ที่คุณอารีพูดก็เขาบอกว่าคำว่านี้ทุกเนี่ย คือมันมันทนได้อาจารย์สุธัน์ก็บอกสู้ไหวเขาว่างั้นสู้ได้สู้ได้เว่างั้นเออคือตกลงไม่รู้ว่าทุกของเขามันคือทุกคืออะไรก็ไม่ทราบะนะบอกว่าไอ้ทุกอันนี้เขาสู้ได้นันนก็ถ้าสู้อย่างนั้นนะของมาแข็งแรงอายยกทั้งเยอะ <laughs> นั่นนี่คือในใน อุ ป, ปนิสสารูเนี่ยถ้าถ้ามองเป็นโครงสร้างชีวิตเนี่ยจะเห็นชัดเลยอวิชชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารสังขารเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณวิญญาณเป็นปัจจัยจึงมีนามรูปนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีสลายยตนะสลายตาลายตนะเป็นปัจจัยจึงมีภาษาภาษาเป็นปัจจัยจึงเกินเวทนาเวทนาเป็นปัจจัยจึงเกิน ตันหาตันหาเป็นปัจจัยจึงมีอุปาทานอุปาทานเป็นปัจจัยจึงมีเพราะเป็นเพราะเป็นปัจจัยจึงมีชาติชาติเป็นปัจจัยจึงมีทุกชาติเป็นปัจจัยจึงมีทุกทีนี้เมื่อทุกเกิดขึ้นเนี่ยนะเมื่อทุกเกิดขึ้นก็เกิดอวิชชาอวิชชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารสังขารเอานะ สังขารก็เป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณจนถึงเป็นปัจจัยจึงมีทุกข์ทุกข์ก็เป็นปัจจัยแก่วิชาต่อนั่นแหละมันก็เลยมันเหมือนอะไรเหมือนเช้าสายบ่ายค่ำเดี๋ยวเราจะได้รีบกลับบ้านจะได้ไปนอนจะได้เช้าอีกจะได้ไปต่ออีกทำงานจะได้รีบกลับมาแล้วก็ได้เข้าบ้านอีกแล้วก็เช้าวนอยู่วนันละยี่สิบสี่ชั่วโมงมก็วนอยู่อย่างงี้แหละถ้ามองว่าภพหนึ่งภพหนึ่งก็คือหนึ่งชาติเนี่ยนะหนึ่งชาติ ถ้ามองชีวิตอยู่แค่วันนี้ไม่รู้จะศึกษาคําสอนไปทําไมแล้วอย่างพระเจ้าชายเสด็จถ้ด้วยยิ่งไม่น่าศึกษาเลยไม่รู้ปฏิบัติทำไปทําอะไรเพราะว่าท่านไม่มีทุกข์เลยทุกกายนะท่านเป็นคนสุขภาพดีเยี่ยมนะทุกอย่างเขาจัดจัดทุกเรื่องให้ท่านชอบใจที่สุดเท่าที่จะทําได้แต่ที่ท่านกลัวนี้คือกลัวอะไร ทุกที่เป็นผลพวงของชาติแล้วก็วัตตะมันเป็นไตยอย่างนี้ในอะไรบ้างพบสามกำเนิดสี่คติห้าวิญญาณทิติเจ็ดสัตวาวาสเก้าเนี่ยนะพบสามที่น่ากลัวก็คือหนึ่งกา ม, มาพบใช่กำเนิดสี่ก็เกิดในคันก็น่ากลัวเนี่ยนะเกิด กำเนิดสี่นะน่ากลัวทุกอันเลยเกิดในครันก็น่ากลัวเกิดในไข่ก็น่ากลัว <Okay. S 1> สังเสริฐชาก็น่ากลัวโอปปาติกะยิ่งน่ากลัว <Okay. S 1> เพราะโตตั ว, ต ว, ตวพรุบเดียวเป็นร้อยโยตเท่าพระเทวทัตไม่เอานะนะวิญญาณทิตินะพวกอาเหตุุกะปฏิสนธิก็น่ากลัวปฏิสนธิแบบญานนะวิปปยุทธเป็นต้นก็น่ากลัวสัตว์วก้าวก็นยะเดียวกันเมื่อทุกทั้งหลายเหล่านี้เกิดขึ้นนะ่ะมีผู้รู้อ่ะ มีผู้รู้วิธีออกจากทุกนะทุกตัวนี้เนี่ยแบ่งออกเป็นอย่างที่เรารู้กันนะนี้อ่านะทุกกะทุกอ่านะเวปรินามะทุก์และสังขาระทุกข์ทุกกะทุกก็คือโดยทั่วไปเนี่ยนะสัตว์ทั้งหลายจะรู้จักเฉพาะทุกกะทุกใช่ไหมยอมรับเออใช่ใช่ทุกเลย ทุกข์เพราะทุกขะทุกะนะและอย่างที่สองคือเวทปรินามะทุกข์อย่างที่สามสังขารทุกข์เขาบอกว่าในสามตัวตัวไหนน่ากลัวที่สุดนี่นะทุกทุกคนเนี่ยจริงๆเขาบอกว่าเขากลัวทุกขะทุกกะนะแต่ท่านบอกว่าสิ่งที่มันน่ากลัวมากคือวทปรินามะทุกข์ มันมันเป็นลักษณะอย่างนี้นะเหมือนว่ากินยาพิษอ่ะนะผสมน้ำอะไรน้ำหวานน้ำพึ่งน้ำที่เราชอบอ่ะนะน้ำพิษที่อร่อยมากนี่นะยาพิษอร่อยอร่อยเสร็จแล้วผลก็เป็นยังไงเราร้อนเพราะยาพิษเนี่ยนะ ถามว่าส อ, สองขณะที่บริโภคยาพิษอร่อยอร่อยกับตอนที่เร่าร้อนเพราะยาพิษมันกำเริบตรงไหนหน่ากลัวที่สุดเนนะเพราะว่าจริงๆแล้วมันเป็นอย่างนี้นะแล้วมันก็วนอยู่อย่างนี้พอไปได้ดื่มยาพิษอร่อยอร่อยทั้งหมดใช่ไหมแล้วก็มาทุกพอทุกเสร็จเร่าร้อนเสร็จก็นึกว่าดื่มยาพิษแล้วมันดับกระหายได้ก็เลยดื่มแก้วใหม่ขึ้นมาอีก เดิมแก้วใหม่อีกก็ร้อนอีกพอร้อนเสร็จก็ดื่มอีกเนี่ยนะถามว่าอะไรน น, น่ากลัวกว่ากันถ้ามองในแง่เหตุตัวเนี้ยน่ากลัวที่สุดเพราะเป็นกลุ่มสมุทัยอนนั้นซึ่งกิจกิจตัวนี้เนี่ยอะไรปะหานากิจส่วนเร่าร้อนอันนี้เป็นทุกขสัตว์เนี่ยนะเป็นปริญญากิจ พัน่านมองแบบพระพุทธเจ้าบอกตัวนี้น่ากลัวที่สุดเห็นไหมตัวที่เรียกว่ามันก็ดีนี่ไม่เห็นมีอะไระตัวนี้น่ากลัวที่สุดเพราะว่ามันเป็นต้นเหตุแห่งแห่งทุกข์ทั้งมวลนึกถึงพ ร, รนะพรัฐบาลเนี่ยนะพระรัฐบาลสมัยพุทธกาลเนี่ยท่านอยู่ที่บ้านเมืองของท่านคนชาวแคว้นกรุเนี่ยนะ ก็พ่อแม่ก็บอกว่าลูกเอ้ยศึกมาเธอมาครองบอนะมาครองทรัพย์สมบัติทำบุญไปก็ได้ก็เอากองเองินกองทองมากองโตไปหมดเลยเสร็จแล้วรัฐบาลก็บอกว่าถ้ายมเชื่ออัตมานะแตมาจะแนะนำให้ก็บอกว่าเอาเถอะแนะนำสิแต่ทำไงบอกไปเอาเกวียนมานะบรรทุกให้เต็มแล้วก็ไปลงน้าให้หมดนั่นแหละเพราะว่าทุกชิ้นนำมาสึ่งความทุกข์หมดเลย ทุกชิ้นนั่นแหละทุกททุกชิ้นที่มีอยู่นะนำมาซึ่งความทุกข์ได้หมดเลยเพราะว่าวัตถุทุกชนิดนํามาซึ่งทุกข์กระทุกจนได้ข้าวของเครื่องใช้ของเราทั้งหมดนํามาซึ่งทุกข์กระทุกแม้กระทั่งสรีระภายในทั้งหมดก็นํามาซึ่งทุกข์กระทุกทีนี้ทุกเหล่านี้เนี่ยบุคคลผู้ไม่ทําปริญญาในในทุกเหล่านี้เนี่ยนะถ้าเป็นสายอวิชชาเนี่ย พอทุกขึ้นมาอะไรเกิดตันหาเกิดใช่ไหมวิปริณามาทุกข์เกิดอะไรเกิดตันหาเกิดสังขารทุกข์เกิดตันหาเกิ ด, พดกพ เ, เพื่อจะสร้างทุกข์อันใหม่คือบุคคลที่ไม่ได้ศึกษาคำสอนนะเชื่อเถอะวิธีการทุกชนิดของเขาคือวิธีสร้างทุกข์เพียงแต่ว่า มันฟังแล้วเหมือนใหม่ๆแต่จริงๆก็วิธีเก่าๆเพราะวิธีสร้างทุกมันก็แบบฟอร์มเดิมๆเดิมๆเท่านั้นแหละสร้างชาติชรามรณะสร้างชาติชรามรณะสมมุตินะวิธีสร้างแก้ปัญหาของสัตว์ทั้งหลายนีพอทุกกายทุกใจหรือว่าทุกข์ทุกวิปริณามะทุกสังขาระทุกเนีพุทธพจน์ตรัสว่าสัตว์ทั้งหลายไม่รู้จักอิ่มด้วยอำนาจราคะและโทสะเนี่ย น, นะมันแก้ปัญหาด้วยราคะกับโทสะ มันก็วงจรมันก็ตามมาอย่างนี้อีกก็ทุกชาติแล้วชาติเล่าชาติแล้วชาติเล่าลไอกระบวนการอย่างนี้เขาเรียกว่านะวัตตะเนี่ยนะวัตตะซึ่งแบ่งออกเป็นอะไรกรรมวัตวิปากวัตและกิเลสวัตใช่ไหมกรรมวัตวิปากวัตกิเลสวัตทีนี้พระองค์ก็บอกว่านี้ทุกเนี่ยนะก็คือนี้ทุกกรทุกวิปริณามะทุกสังขารทุกถ้าทุกพิสดารหน่อยก็อาจารย์เกตสาธยายต้นชั่วโมง ความเกิดก็เป็นทุกข์ความแก่ก็เป็นทุกข์ความตายก็เป็นทุกข์แม้โสกปริเทวะทุกขโทมานะอุปายาตก็เป็นทุกข์ปรานาสอะไรนะวิปโยคก็เป็นทุกข์สัมปโยคก็เป็นทุกข์ปราถนาไม่สมหวังก็เป็นทุกข์โดยย่อขันหะคือตัวทุกข์ทุกเหล่านี้ปริญญากริดไหมถ้าทําปริญญาในสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะบอกว่าทุกขะทุกปกติแล้วอ่ะเมื่อทุกขะทุกเกิดขึ้นนะสัตว์ทั้งหลายจะทุกข์ิ้น ปกติเลยนะถ้าทุกข์กายหรือเสียใจขึ้นมานะีโดยมากแก้ปัญหาด้วยการไปทุศีลถ้าวิปริณามทุกเกิดขึ้นมาเนี่ยนะทุศีล ก, ก็คือโทสะนะถ้าวิปริณามทุกเกิดขึ้นแก้ปัญหาด้วยราคะสังขารทุเกิดขึ้นแก้ปัญหาด้วยโมหะ อันนี้ก็คืออวิชชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารเป็นต้นถ้าเป็นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระ อ, องค์แนะนำตรงไหนของพระพุทธเจ้านะแนะนำว่าแก้ปัญหาด้วยหนึ่งเริ่มต้นด้วยมีศีลเนีย่ยนะราคาก็จิตตะศิขาโมหะก็เป็นปัญญาศิขา ก็ให้มีสิกขาแทนเนะเมื่อรับอารมณ์ใดๆสรุปว่ารับอารมณ์ใดก็แก้ปัญหาด้วยการเจริญไตรสิกขาถ้าสิกขาสามบริบูรณ์นี่เรียกอะไรอริยมรรคถ้าอาริยมรรคเกิดอวิชชาดับเนี่ยนะถ้าอวิชชาดับระบบพวกนี้ก็ถูกทำลายหมดนะอวิชชาเป็นต้นก็ก็ดับพันตัวศาสนาอยู่ตรงนี้ นี่ยคือศาสนาสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนเนี่ยสอนตรงนี้ที่ที่เราทว่าเริ่มสายก็หลายท่านก็ตอบตรงประเด็นดีว่าเพราะว่าเป็นนิยานิกะระทำคือเชื่อมั่นว่าวิธีการของพระพุทธเจ้าดับทุกได้จริงเนี่ยนะทีนี้ดับทุกได้จริงก็คือดับด้วยอนุภาพของอาตมัสมาดดับอวิชชาถ้าอวิชชาดับ ตันหาก็เป็นอันดับด้วยตันหาอยู่ไม่ได้น้ารากมันขาดอวิชาในฐานะเป็นรากของตันหาถ้าตัถ้าอวิชาดับนะรากดับเหตุปัจจัยของตันหาดับตันหาก็เป็นอันต้องดับเหมือนต้นไม้เนี่ยที่ต้นไม้ชนิดพันอย่างดีเลยนะตัดโคนเอาชั้นล่างออกหมดเลยเนี่ยแล้วเอาตั้งอยู่บนพื้นดินถามว่าดำรงอยู่ได้ไหม ไม้เก่นอย่างดีเลยไม้สักก็ได้ตัดช่วงล่างทิ้งให้หมดเลยเสมอพื้นดินที่แตะดินเนี่ยตัดทิ้งให้หมดแล้วก็ตั้งเอาไวน้นะถือว่าเสียหายพันธะอัาอราาิยดับตันหาก็ดับถ้าตันหาดับวัตตาก็เป็นอันดับด้วยประการทั้งนี้พันธ์ที่เค้าบอกว่าการแก้ปัญหาตามพระพุทธศาสนานั้นน่ะไม่ใช่แก้แค่ความไม่สบายใจที่มีอยู่เนี่ยนะเพราะผู้ที่ที่ ที่มาศึกษาคำสอนใช่ไหมเอาสมัยพุทธกาลเป็นมาตรฐานเขาไม่ได้มาศึกษาคำสอนเพราะเขาเครียดเพราะเขาโทรศัพท์ไม่ใช่แต่เขามาศึกษาคำสอนเพราะมันเห็นแต่ชีวิตที่มันซ้ำซากในวัฏะนี่มันซ้ำากมันมันไม่มีอะไรจบมีอะไรสิ้นทางออกไี่มีไหมเดี๋นะทํายังไงจึงจะออกพุทธกาลกลุ่มไหนเอาเอาแบบสมัยพุทธกาลเลยเลยนะ คือมีศรัทธาตามแนวสมัยพุทธกาลเพราะว่ามันไม่มีจบถ้าแก้ปัญหาเพราะว่าเชื่อไหมว่าการแก้ปัญหาแบบชาวโลกเนี่ยนะแบบผู้ที่อยู่ในภูมิสามเนี่ยแก้ปัญหาด้วยการสร้างปัญหาสมมติวนะ่เรามองเห็นปั๊บเนี่ยเราเห็นเลยนะเราจะแก้ปัญหาเรื่องการเห็นเนี่ยเราแก้ยังไองอ่ะก็สร้างตาบอกว่าโอ้โเนี่ยตามันมีเนี่ยตามันมีโรคมันมีปัญหาเนี่ยแก้ปัญหาจะลืมตาดูทําอย่างงั้นสิทําอย่างนี้สิ นั่นสร้างตาอพอได้ยินเสียงปั๊บแก้ปัญหาเรื่องนี้นะเอาไปจัดแจงเรื่องเสียงวุ่นวายไปหมดเลยก็สร้างหูรู้กลิ่นปั๊บแก้ปัญหาก็สร้างจมูกอีกแล้วรู้รสก็สร้างลิ้นรู้โพธาภาคก่อสร้างกายคี้ไปเพื่อจะสร้างใจเนี่ยนะพันแก้ปัญหาทุกอย่างที่ที่ทุกขษัตริย์เกิดขึ้นปั๊บเรา ก, วาากร็วิ่งไปหาสมุทัยทุกครั้งเลยวิ่งไปหาสมุทัยทุกครั้งพันจะต้อง ทีนี้ไอต้ตัวตัวระทุศีลเนี่ยนะความทุศีลราคะโทสะโมหะเนี่ยกับมีศีลเนี่ยตรงเนี่ยมันสลับกันเพราะว่าราคะโทสะโมหะเป็นอกุศลศีลเนี่ยนะหรืออโทสะนะศีนเนี่ยนิยามของเขาคืออโทสะสมาธิคืออโลภะปัญญาคืออโมหะอันนี้เรียกว่าเป็นกุศล เป็นกุศลทีนี้มันสลับกั น, นว่าไงไดังนะนั้นพระองค์บอกว่าพระองค์พูดมากจริงๆเลยนะพูดมากเพื่อให้รู้ว่าอากุศลมันมีโทษอย่างนี้และมันจําเป็นต้องละด้วยประการอย่างนี้พระไตรปิฎกทั้งหมดเชื่อไหมอธิบายว่าจําเป็นมากที่จะต้องกําจัดสหราคาโทสาวโมหะจําเป็นเหลือเกินที่ต้องกําจัดอกุศล แล้วกุศลเนี่ยจำเป็นเหลือเกินจะต้องรีบเจริญให้เร็วที่สุดเนี่ยนะให้บรรลุอริยมรรคเร็วที่สุดด้วยเงื่อนไขว่าชีวิตเป็นของน้อยอนะ เ, เงื่อนไขว่ากิจอันนี้นะคืออาคุศลมันชำนาญอยู่แล้วว่าตัมมรรคแไม่ได้สังสมมาสักเท่าไหร่เพราะฉะนั้นไอเวลาที่ที่มีเหลือมีชีวิตเหลืออยู่กันคนละกิจทุกการนับชั่วโมงได้แล้วใช่ อ, อา เชื่อไหมพุกามวันนี้หนุ่มกว่าพรุ่งนี้ก็แล้วกันอาจารย์แกสอนวันนี้สาวกว่าวันพรุ่งนี้นะมันก็เดี๋ยวก็หมดแล้วเมื่อเมื่อทุกเนี่ยนะเดี๋ยวทุกก็ทุกมันจะกําเริบขึ้นวิปลาวนามทุกก็หมดไปสังขารทุกก็จะเพราะถ้าไม่ทํากิจนะถ้าเข้าสู่กระบวนการอวิชชาเป็นปัจจัยแก่สังขารนําเกิดในพบใหม่เนี่ยถามว่าสิกขาตัวนี้มีชั่วคราว ในเขาเรียกว่าสมัยพุทธกาลเนี่ยเขามีการสนทนาการกษัตริย์เมืองิชวีเขาประชุมกันเขาบอกว่าอารัตนะที่หาได้ยากในโลกนะเขาก็ไล่เลยหนึ่งรัตนะที่หาได้ยากแก้วสองช้างสามมา้าสี่เครหบดีเนี่ยนะห้า อิธีอิถีรัตนะนางแก้วก็ผู้หญิงประเภทยิ้มก่อนแล้วค่อยพูดทีหลังกลุ่มนั้นแหละยิ้มหวานแล้วก็พูดด้วยใจดีอย่างนั้นแหละน่ะแล้ว <c oughs> <c oughs> ก็ที่มาของเราว่า ง, งูเหา่า เฮาไม่ได้เขียนอ ย, ย, ย่างี้นี่ทีนี้แต่ถ้าของพระพุทธเจ้านะรัตนที่หาได้ยากคืออะไรของพุทธศาสนาเรานะคือพระพุทธเจ้าสองอ น, นพระสัทธรรมเนี่ยนะผู้แสดงผู้ฟังแล้วไปปฏิบัติผู้ปฏิบัติแล้วบรรลุพวกนี้หายาก ในในทางศาสนาเราถือว่าสิ่งเหล่านี้หายากเพราะโดยเฉพาะเนี่ยทั้งหมดนะอยู่ที่พระพุทธเจ้าการเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้านี่เป็นความสุขเฮ้พระพุทธศาสนามีอยู่ชั่วคราวเนี่ยนะเพราะว่าถ้าศิษขาสามอยู่พระพุทธศาสนาก็ยังอยู่ถ้าศิษย์ขาศิษขาสามหมดพระพุทธศาสนาถือว่าหมดถึงเจดีจะเหลืออยู่วัดจะเหลืออยู่ก็ตามถ้าศิษย์ขาหมด เนีนะอทิตอโทสะหมดอโลภหมดอะโมหะหมดหรือศีขาสามหมดพระวินยัยพระสูตรพระพิธรมหมดถือว่ า, าศาสนานี่หมดแล้วเนี่ยนะก็ผู้นะนะฟังแล้วเอาไปทําตามาเลยเจิ้น่อพวกนี้ผันชั่วคราวเมื่อชั่วคราวอย่างนี้หนึ่งชีวิตก็จํากัดใช่ไหมพระพุทธศาสาศนาก็มีอายุชั่วคราวแต่ของเราถ้าคิดกับ ใครอ่านเมืองเรื่องกุสินาราเนี่ยนะเทวดาเนี่ยร้องให้เลยมาร้องให้ที่ยอมก็ถามว่าเทวดาบางพวกสาคัญอ่าไม่สําคัญแผ่นดินว่าสำคัญอากาศว่าเป็นแผ่นดินบางพวกก็สําคัญอากาศว่าเป็นอากาศร้องให้กลิ้งเหมือนคนมือขาดเท้าวขา ด, ขาดร้องให้กลิ้งก็บอกว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยอุบัตชิชั่วครั้งชั่วคราวแล้วก็หมดไปแล้วเขาร้องให้มากเลย พูอย่นี้ไม่ได้ให้ไปยมนงไปร้องไห้ที่นั่นนะแต่เราว่าคือเขาเขาเขาเสียใจมากเลยนะว่าดวงตาของโลกดับแล้วเนอะเนี่ยนะของเราตอนนี้เนี่ยนะเหลือแต่พระธาตุเราก็ยังมีความสุขอยู่เลยนะแสดงว่า <c oughs> <c oughs> ก็มาดูเอานะว่าสิขาสามเหล่านี้จะต้องรีบอบรมให้เร็วที่สุดเพราะสิขาสามเป็นตัวที่จะทำให้รู้แจ้งแทงตลอดอริยสัจเนี่ยนะ ถ้าไม่แทงตลอดสิกขาสามดับอวิชชาไม่ได้ที่สุดแห่งทุกข์ก็มีไม่ได้แล้วก็สิกขาสามตัวนี้แหละก็เป็นเป็นข้อปฏิบัติที่เรียกว่าทางสายกลางจริงๆซึ่งมรรคสัตว์ที่เราเรียนอยู่ตอนนี้เนี่ยนะก็คือเน้นอะไรสัมมาอะไรปัญญาสิกขาเนี่ยนะสัมมาทิฏฐิกับสังกัปปะเราเรียนไปแล้ว นะส่วนศีลก็คือสัมมาวาจาสัมมากรมมตะสัมมาอาชีวะเนี่ยพวกนี้ก็ไม่ค่อยมีปัญหาซึ่งวันหลังจะได้กล่าวถึงจิตตสิกขาโดยเฉพาะสัมมาวายามะสัมมาสติและสัมมาสมาธิทีนี้ถ้าทางกายเนี่ยเดี๋ยวพูดโดยสรุปนิดหนึ่งทางกายเนี่ยถ้าศีลทางกายแบ่งเป็นสองไหศีลทางกายเนี่ย แ, แบ่งเป็นสองคือจารีตกับ วารีตอายุปูนนี้กันแล้วจารีดก็แทบไม่ต้องเท่าไหร่แล้วใช่ไหมประเภทจารีตนะค่ะสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกรมก็ไม่เท่าไร่แล้วที่เหลือสําคัญก็คือกลุ่มจารีตเนี่ยนะจารีตมีอะไรบ้างบางคนก็ยังมีพ่อแม่อยู่ใช่ไหมก็ยังต้องเลี้ยงดูพ่อแม่เป็นต้นเนี่ยนะลูกหลานไม่ใช่จารีตอะไรที่ไหนหรอกลูกหลานที่ต้องเป็นภาระดูแลเรา แต่โอ้โหเป็นพาราต้องเลี้ยงมันจนตายคือถ้าคิดไปอย่างหนึ่งนะทักพ่อแม่ไหนที่เลี้ยงลูกตลอดลูกไม่รู้จักโตนะบอกว่าเป็นพ่อแม่ที่ให้ลูกกู้ตลอดเลยโด ย, โดยที่ไม่มีการให้ลูกส่งดอกคืนบ้างเลยเพราะว่าลูกเนี่ยถ้าตามธรรมราเขาบอกว่าเป็นลูกนี่พ่อแม่เป็นเจ้านี้แต่ทุกพ่อแม่ทุกวันเนี่ยทิฐิกลับตะลปัดทิฐิกลับข้างถือว่าลูกหลานเป็น เจ้านี้ตัวเองก็เลยใช้หนี้จนตายลูกหลานก็เลยอดใช้หนี้เลยเนี่ยนะเพราะเพราะเข้าใจผิดพลาด น, นีพวกกลุมจารีตศีนเนี่ยประพฤติปฏิบัติให้ดีจารีตทางกายเนี่ยนะมีอะไรบ้างที่ควรประพฤติก็เช่นการกราบการไหว้พวกนี้ก็นับเนื่องในจารีตศีลจึงมีผู้ถามว่าเวลาเราไหว้พระเจดีย์เป็นต้นไหว้พระเนี่ยนะเป็นศีนอ่าเป็นกุศลประเภทไหนทานศีนภาวนา ตัวกราบจริงๆนี่เป็นศีลเนี่ยนะการกราบเช่นการกราบพระตนะตรายกราบด้วยการระลึกถึงพระตนะตรายนี่เป็นศีลถ้าสวดมนต์สวดด้วยความเข้าใจเนี่ยนะเป็นภาวน า, านะถ้ า, าถวายเครื่องสักการะอันนี้ก็เป็นทานมันถ้าสวดมนต์ด้วยความรู้ความเข้าใจกราบไหว้เป็นได้ทั้งทานศีลและภาวนาเนี่ยนะก็เป็นได้หมดเลย อันจารีตเหล่านี้ก็ผู้ที่ประพฤติวัดปฏิบัติถ้าอย่างเป็นพระพถ้าเป็นพระภิกษุนะจะเรื่องมากเรื่องมากคือจะเป็นวัดวัดเนี่ยจะเข้ามาเรียกว่าวัดสิบสี่เนี่ยนะวัดสิสก็ไล่ตั้งแต่อุปชายวัดอเนี่ยอุปชายวัดอาจารยวัดอันเ่อันเตวาสิกวัด สัว์ที่วิหาริขวัติขมิทกวัติอาคารตุกวัตพัตตควัตเป็นต้นเนี่ยนะวัด14มหาวัด14แล้วก็วัดย่อยๆอีก82อีก็ไปประพฤติไปเรื่องทางกายอันนี้ก็คารวะก็เล่าหลักๆก็คือเนี่ยบุญประเภทพุทธบูชาการกราบการไหว้พระตนะตรอันนี้ก็ถือว่าเป็นเป็นวัดใช่ไหมเป็นวัดที่ที่ควรประพฤติเนี่ยนะ จำีน่าจะแกหมัคุณก็จำดีแต่ว่ามันฟุ้งไปหมดลมมันมีกำลังแรงมากเมฆเลยหายหมดเลยหมดเวลาแล้วเนาะั